สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบารนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิพเปียสูตอนที่สา6ร้อยห้าสิบหกวิบัตห6ประการตอนที่สองครับพระชนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบเอ็ดข้อที่สี่สิบห้าจนถึงข้อที่ห้าสิบสามพระธรรมลูกาบทที่สิบอ็ดข้อที่สี่ิบห้าจนถึงข้อที่ห้าสิสามโปรดฟังพระชนะของพระเจ้า บาเรียนคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าอาจารย์เจ้าค่ะซึ่งท่านว่าอย่างนั้นท่านก็ติเตียนพวกเราด้วยพรงค์ตรัสว่าวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยว่าเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์แต่ส่วนพวกเจ้าเองก็ไม่ต้องจับต้องเลยแม้แต่นิ้วเดียววิบัติแก่เจ้าทั้งหลายเพราะเจ้าก่ออุโมงค์ของพวกผู้เผยพรชนะและบรรพบรุษของเจ้าเองนั้นก็ได้ฆ่าผู้เผยพรชนะ ดังนั้นพวกเจ้าจึงเป็นพยาและเห็นชอบในการของบรรพบรุษของเจ้าด้วยว่าเขาได้ฆ่าพวกผู้เผยพระนะนั้นและพวกเจ้าก็ก่ออุโมงค์ให้เหตุฉะนั้นพระปัญญาของพระเจ้าตัดว่าเราจะใช้พวกผู้เผยพระชนะและอาาัครทูตไปหาเขาและเขาจะฆ่าเสียบ้างและเขี่ยวเข็นบ้างเพื่อคนยุคนี้แหละจะต้องรับผิดชอบในเรื่องโลหิตของบรรดาผู้เผยพระนะ ซึ่งต้องไหลออกตั้งแต่แรกสร้างโลกคือตั้งแต่โลหิตของอาเบลจนถึงโลหิตของเศคาริยาที่ถูกฆ่าตายระหว่างแท่นบูชากับพระนิเวศของพระเจ้าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าคนยุคนี้จะต้องรับผิดชอบในโลหิตนั้นวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนด้วยว่าเจ้าเอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสียคือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไปและคนที่กําลังเข้าไปนั้น เจ้าก็ได้ขัดขวางไว้เมื่อพระองค์เสด็จออกมาจากบ้านแล้วพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีก็ตั้งต้นโจมตีและยั่วยาวพระองค์หมายจะให้ตรัสต่อไปหลายประการคอยหวังจับผิดในพระดำรัสของพระองค์พี่น้องครับพระเยซูเริ่มต้นในข้อที่42บอกว่าวิบัติแก่เจ้าพวกบาเรียนเพราะว่าพวกเจ้าเอาของหนักที่แบกยากนักวางบนมนุษย์แต่ ส่วนพวกเจ้าเองนั้นไม่จับต้องสิ่งใดเลยแม้แต่นิ้วเดียวพวกบาเรียนนั้นเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติครับพระเยซูหมายถึงบทบัญญัติที่พวกฟาริสีพวกบาเรียนพวกอาจารย์ที่สอนพระคัมภี์ทั้งหลายในสมัยโบราณ น, นั้นที่สืบทอดต่อกันมาได้เพิ่มเติมครับ เพิ่มเติมบทบัญญัติมากมายระเบียบต่างๆมากมายเกินจากที่พระบัญญัติของพระเจ้าประทานให้กับโมเสสพระเยซูทรงทราบนะครับว่าหากว่าถ้าเขามีความรักพระเจ้าอยู่ในจิตใจแล้วนะครับกฎระเบียบต่างๆนั้นก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปครับพี่น้องครับตรงนี้ทำให้เราเห็นว่ากฎเกณฑ์กฎหมายกฎบัญญัติธรรมบัญญัตินั้น แท้จริงแล้วหากว่าเรามีความรักในพระเจ้ากฎต่างๆเหล่านี้ไม่สำคัญเพราะเรามีกฎแห่งจริยธรรมกฎแห่งความรักที่คุมอยู่ครับอยู่เหนือกฎระเบียบต่างๆกฎระเบียบต่างๆนั้นก็อาจจะไม่จำเป็นในแง่นี้พี่น้องครับพระเยซูกำลังบอกเราว่าทัศนคติสำคัญครับ 2วันก่อนผมได้แบ่งปันว่าทัศนคติท่าทีในใจเกิดจากไมเคิลหรือกระบวนความคิดพระเยซูทรงทราบครับว่าทัศนคติของพวกปริสีนั้นมันเป็นเรื่องของการน่าซื่อใจคดน่าอย่างหลังอย่างนะครับซึ่งทัศนคติแบบนี้เป็นทัศนคติที่จะต้องถูกพิพากษา เป็นเรื่องของวิบัิครับพวกเขานั้นเสวยสุขให้คนอื่นแบกรับแทนพวกเขาไม่จับแม้แต่นิ้วเดียวให้คนอื่นดำเนินการแทนคนพวกนี้มักจะหลอกใช้คนอื่นอยู่เสมอครับหลอกใช้ในที่นี้มีความหมายว่าเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง มากที่สุดวิบัติข้อที่ห้าครับอยู่ในข้อที่สี่สิบเจ็ดถึงห้าสิบเอ็ดพระเยซูกำลังบอกพวกเขาว่าพวกฟาริสีพวกธรรมจารย์ต้องรับผิดชอบในเรื่องของโลหิตของผู้เผยเพระชนะทั้งหลายที่ได้ไหลออกมาตั้งแต่แรกสร้างโลกตลอดทุกยุคทุกสมัยที่นี่เราจะเห็นว่าอาเบลนะครับซึ่งเป็นลูกของอาดัม ถูกเรียกว่าเป็นผู้เผยพระชนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเขาก็พูดเรื่องพระเจ้าถ่ายทอดสื่อสารสาระสําคัญพระดํารัสของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าต้องการเตือนให้กับคนในสมัยเดียวกันอาเบลนั้นเป็นตัวอย่างที่เราคิดไม่ถึงนะครับว่าพระเจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นผู้เผยพจนะคนหนึ่ง เปเยสูทรงยกย่องอาเบลครับและยกย่องเศคาริยาเช่นเดียวกันและยกทั้งคู่มาเป็นตัวอย่างครับการตายของบุคคลทั้งสองนี้เป็นตัวแทนว่าที่แสดงถึงว่าการฆ่าผู้บริสุทธ์ซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ไม่บังควรไม่สมควรอย่างยิ่งพี่น้องครับการข่มเหงผู้ชอบธรรมการขมเหงผู้รับใช้พระเจ้า การกำจัดศัตรูให้พ้นทางไปถือว่าวิบัติครับการฆ่าผู้บริสุทธิ์การทำลายคู่แข่งถือว่าเป็นความบาปครับวิบัติจะเกิดขึ้นกับคนคนนั้นวิบัติประการสุดท้ายครับวิบัติประการที่หกในข้อที่ห้าสิบสองพระเยซูตรัสว่าพวกฟริสีได้เอาลูกกุญแจแห่งความรู้ไปเสีย พวกเขามีความรู้พระกัมภีเดิมพระคัมภีเดิมนั้นเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์กฎบัญญตัติกฎหมายของพระเจ้าและเต็มไปด้วยคำทำนายแล้วก็ยังมีชีวิตของคนที่ผิดพลาดคนที่ประสบความสำเร็จเป็นตัวอย่างแต่ว่าพวกเขาก็คือหมายถึงพวกฟาริสีพวกธรรมาจารนั้นไม่ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากแกนแท้ของพระคัมพี ในการศึกษากันครับพวกเขาก็ไม่ได้รับประโยชน์จากความคำสอนหรือความรู้ที่พระเยซูถ่ายทอดให้มิหนำซ้ำครับเขายังขัดขวางไม่คนอื่นเข้าไปถึงความรอดอีกด้วยในฐานะที่เป็นผู้สอนธรรมบัญญตัติเขากักไว้ครับพวกฟาริสีแท้จริงแล้วควรจะต้องช่วยให้คนยิวเข้าใจธรรมบัญญัติได้ในที่สุดเขาจะต้องมาถึงองค์พระเยซูเพราะพระเยซู สอนถูกต้องตามธรร ม, มบัญญัติทุกอย่างและพระเยซูนั้นมาจากพระเจ้าคงไวซ้ซึ่งสิทธิที่อำนาจอันชอบธรรมแต่พวกฟอริสีนั้นกลับกลับไม่เข้าใจครับและมิหนำซ้ำบิดเบือนคําสอนเขียนคําแปลความหมายที่ผิดๆแต่งหลักศาสนศาสตร์ที่ไม่ถูกต้องพี่น้องครับคนที่บดบิดเบือนคําสอนบิดเบือนหลักข้อเชื่อวิบัติครับคนที่สอนเข้าข้างตัวเอง วิบัติครับคนที่เอาประเพณีอยู่เหนือพร ะ, พระดํารัตพระวจนะพระเจ้าก็วิบัติครับและคนที่ยึดถือวิถีปฏิบัติที่สืบทอดต่อกันมาอยู่เหนือกฎเกณฑ์กฎหมายบทบัญญัติของพระเจ้าและพระวจนะของพระเจ้าวิบัติครับพี่น้องครับหลายๆครั้งเราก็เห็นนะครับว่าคนก็ทําแบบนี้เราก็ทําบ้างพี่น้องครับถูกต้องหรือเปล่าครับ หรือคนอื่นเขาก็ทำมาอย่างนี้นะครับบริษัทอื่นก็ทำแบบเดียวกันพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งโบสถ์อื่นก็ทำแบบนี้พี่น้องครับการเอาบทเทนีการเอาวิถีปฏิบัตินะครับเข้าข้างตัวเองบิดเบือนคำสอนวิบัติครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่เราจะหลีกเลี่ยงจากวิบัติทั้งหกประการผมจะขอทบทวนนะครับ วิบัติประการแรกก็คือวิบัติที่พวกเขานั้นประกอบาศาสนพิธีถวายชับซึ่งไม่สามารถชดเชยความผิดอันเกิดจากการไม่ได้รักพระเจ้าอย่างแท้จริงไม่ได้มีชีวิตที่จำแดงถึงความชอบธรรมอย่างแท้จริงนี่คือวิบัติประการแรกวิบัติประการที่สองก็คือว่าเขาขโมยและแย่งเกียรติของพระเจ้าไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเท่าที่ควรถวาย วิบัติข้อที่สามก็คือชีวิตของเขานั้นไม่สอดคล้องกับคำสอนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเป็นต้นแบบของการแพร่เชื้อที่เลวร้ายวิบัติประการที่สี่ครับก็คือให้คนอื่นแบกแทนแต่ตัวเองสวยสุขทัศนคติที่เป็นน่าซื่อใจคดวิบัติประการที่ห้าครับขมเหงผู้ชอบธรร กำจัดศัตรูหรือคนที่ไม่ใช่พวกพ้องให้พ้นทางไปวิบัติประการที่หกครับบิดเบือนคําสอนเข้าข้างตัวเองเอาวิถีปฏิบัติประเพณีอยู่เหนือพระเจ้ะของพระเจ้าคนเหล่านี้นะครับวิบัติครับจะเกิดขึ้นกับเขาพระเยซูกําลังย้ำเตือนเขาด้วยความรุนแรงครับเมื่อพระเยซูเสด็จออกมาจากบ้านของคนพริสี รพระองค์ภีได้กล่าวว่าคนพวกนี้ก็หาเหตุโจมตีพระองค์ขุดหลุมดักพระองค์ยั่วยาวพระองค์เพื่อที่จะทำลายพระองค์พี่น้องครับคนที่มาถึงจุดที่ไม่กลับใจเป็นเหตุสำคัญนะครับที่ทำให้เขาในที่สุดแล้วเขาหนีวิบัติไปไม่พ้นอาเมน